ทิศ บ, บุญจะถึงผู้รับทุกภูมิหรือไม่หลวงพ่อว่าเขารับได้ทั้งหมดที่ว่ารับไม่ได้เพราะว่าบาปกรรมเขายังหนักมันทําให้จิตใจเขามืดมิดมองไม่เห็นความดีความชอบจึงถือว่าเขารับไม่ได้แต่บุญที่จะสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยผู้รับจะต้องรู้ รู้แล้วต้องอนุโมทนาที่ว่ารับไม่ได้คนบาปหนักมันก็มองไม่เห็นความดีความชอบใครให้อะไรมันก็ไม่สนใจมันไม่อยากจะโมทนามันก็ไม่ได้บุญเทวดาเขาก็มีความสุขสุขจนลืมตัวใครให้อะไรเขาก็นึกว่าสุสมบัติที่เขามีอยู่ไม่ได้เขาก็ไม่ยินดีเขาไม่อนุโมทนา มันก็ไม่ได้รับอย่างที่เรายังมีชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าญาติพี่น้องทําบุญอุทิศมาให้เราเนี่ยเราได้รับหรือเปล่าเราก็ได้รับแต่เราไม่รู้ว่าเราได้รับอํานาจจิตหรือกระแสจิตที่ส่งถึงกันเนี่ยมันมีพลังได้เหมือนกันเช่นอย่างอธิษฐานจิตขอให้นายคนนั้นมันพ้นจากทุกข์จากร้อนอะไรทานองเนี้ย หรือหายโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นไปได้